ต่อเลยนะหน้าสี่สิบเก้าครั้งที่แล้วประโยคตอนท้ายเนี่ยนะในธรรมะที่แทงตลอดได้ยากคืออักขณะแปดใช่ไหมคือที่ไม่ใช่ขนาดนะไม่ใช่ขนาเนี่ยมีอยู่แปดอย่างด้วยกันที่ไม่ใช่ขนานี้ประกอบไปด้วยตั้งกันหนึ่ง คำว่าขณะในที่นี้เน้นขณะเพื่ออะไรขณะเพื่อจะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือขณะที่ได้บาเพ็ญไตรเสกขาเพื่อบรรลุมรคนิพพานทีนี้ที่ไม่ใช่ขณะเนี่ยมันมีอยู่แปดอย่างด้วยกันข้อแรกก็ตั้งแต่หนึ่งเกิดอยู่ในนรกนี่ก็หมดละข้อสองเป็นเดรัจฉานข้อสามเป็นเปรตข้อสี่อยู่ในเอ่อเป็นอสัญญาสัตว์ห้าอยู่ในปัจจันตชนบท ที่เป็นพวกมีักขะเป็นต้นเนี่ยนะข้อ6ก็คือเป็นผู้มีความเห็นวิปริตข้อ7ก็เกิดมาบ้าใบข้อ8เกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้านั่นะเออทีนี้ถ้าเป็นในอังคุตรนิกายอัฏฐานนิบาตจะพูดถึงขณะที่ที่เป็นสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยนะมีอยู่ขณะเดียวเท่านั้นที่เป็นสมัยในการประพฤติพรหมจรรย์ คือถ้าถ้าอยู่ในเงื่อนไข8ดอย่างนี้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไหมไม่ได้ประพฤติศีลสมาธิปัญญาแต่ขณะที่จะทําให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์นี่มีขณะเดียว น, นะในอังคุตรนิกายอัตการนิบาศอักขณะสูตรกล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี่มีประการเดียวประการเดียวเป็นฉะไหนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายปัตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลก เป็นผ้รหันตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถิฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะและธรรมะอันพระตถาคตทรงแ ส, ส, สดงเป็นธรรมะอันนำความสุขมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพานให้ถึงการตรัสรู้พระสุคตประกาศแล้ว เนี่ยคือข้อแรกหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ย น, นะคือประกาศอริยสัจนั่นแหละบุคคลนี้เกิดในมัชิมะชนบททั้งมีปัญญาไม่บ้าใบาสามารถเพื่อจะรู้อัฏถะแห่งสุภาสิทธและทุภาสิทธได้ดูก่นที่สุดทั้งหลายนี้เป็นขณะและสมัยในการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยประการเดียว คือเงื่อนไขหรือองค์ประกอบที่จะทําให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่เท่านี้จริงๆถ้านนอกจากนี้แล้วไม่ใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่หมายถึงศีลสมาธิปัญญานะไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติอธิ ศ, รร ศ, รรศรรธีลสิกศิขาดิจิตศิกขาอธิปัญญาศิกขาเพื่อเพื่อบรลุมรรุนให้ผ่านแทงตลอดโลกุตระธรรมนั้นสมัยมีอย่างเดียวทัวีกครั้งหนึ่งนะหมายถึงคําว่าอย่างเดียวคือต้องได้องค์ประชุม องประชุมคือหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองพระพุทธเจ้าแสดงธรรมสมเราเกิดในมัชชิมชนบทแล้วก็ต้องได้ฟังด้วยนยีได้ฟังอะ่ะถ้าได้องค์ประชุมเหล่านี้แล้วจึงเรียกว่าได้ขณะเนี่ยนะถ้าไม่ได้องค์ประชุมนี่เรียกว่าไม่ได้ขณะซึ่งตอนท้ายพระองค์กล่าวเป็นคาถาสรุปว่าชนเหล่าใดเกิดในมนุษย์โลกแล้วเมื่อพระตถาคตทรงประกาศสัตธรรม ไม่เข้าถึงขณะชนเหล่านั้นชื่อว่าล่วงขณะนี่นะคือไม่ได้เงื่อนไขยอย่างที่กล่าวนี่นะชนเป็นอันมากกล่าวเวลาที่เสียไปว่ากระทําอันตรายแก่ตนพระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกในการบางครั้งบางคราวานะพระพุทธเจ้านี่เกิดในโลกเป็นครั้งคราวเท่านั้นนะนะเพราะนั้นการที่พระตถาคตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหนึ่งการได้กําเนิดเป็นมนุษย์หนึ่งการแสดงพระสัทธรรมหนึ่ง ที่จะพร้อมกันเข้ากันได้เนี่ยหาได้ยากในโลกใชสิ่งที่หาได้ยากนะอันนะองค์ประชุมสามเนี่ยยากหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดในโลกสองเป็นมนุษย์สามการแสดงธรรมก็แสดงก็รวมถึงฟังด้วยนะที่จะได้องค์ประกอบสามอย่างเนี่ยากมนชนผู้ใคร่ประโยชน์จึงควรพยายามในการดังกล่าวมานี้ น, นะถ้าผู้ใดต้องการประโยชน์เส้นประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งนะประโยชน์คือพระนิพพานเนี่ยถ้าได้ขณะอันนี้แล้ว ควรเพียนยนะควรควรที่จะภาพเพียนอย่างมากนะจึงควรพยายามในการดังกล่าวมานั้นที่ตนพอจะรู้จะเข้าใจสัตรมได้ขณะยาล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะบุคคลที่ปล่อยให้ขณะล่วงไปพากันยัดเยียดในนรกเนี่ยย่อมเศร้าโศกนะคนที่ปล่อยขณะอันนี้ให้ผ่านไปนะตกนรกมาเยอะแล้วว่ากันก็ไปเศร้าโศกอยู่นั่นแหละ หากเขาจะไม่สำเร็จอริยมรรคอันเป็นธรรมะตรงต่อสัจธรรมในโลกนี้เขาเป็นผู้มีประโยชน์อันล่วงเสียแล้วจักเดือดร้อนสิ้นกาลนา น, นนะถ้าไม่บรรลุอริยมรรคเนี่ยเดือดร้อนแน่นะเหมือนพ่อค้าผู้ปล่อยให้ประโยชน์ล่วงไปเดือดร้อนอยู่ฉะนั้นคือได้เวลาค้าขายตัวเองมัวแต่นอนหลับนะสินค้าก็ไม่ได้ซื้อมานะอดขายอีกเนี่ยนะก็พ่อค้าที่ที่เหมือนกับว่า ปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะนตอนสินค้าถูกก็ไม่ซื้อตอนสินค้าแพงก็ไม่มีสินค้าขายถามว่าพอค้าเนี่ยเดือดร้อนฉันใดนะผู้ที่ปล่อยให้ขณะเหล่านี้ผ่านไปก็ลักษณะเดียวกันคนผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้พรากจากสัตร ร, รมจากสเสวยแต่สงสารคือชาติและมรณะสิ้นกาลนานนะใครที่ล่วงเลยศัต ร, ร, รมเหล่านี้ไปนะก็เกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ดตายโดยที่ไม่มี ไม่มีจบสิ้นเนี่ยนะี่จริงพระนี่น่าจะสังเวชได้เยอะนะขึ้นเขาอยู่ทุกวันน่ะนะนึกว่าพระพุทธเจ้าตราสว่ากระดูกกับหนึ่งมันพอๆกับภูเขาไหมนั้นขึ้นเขาทีหนึ่งเออเนี่ยขึ้นกระดูกกองกระดูกมาอีกองขึ้นกองกระดูกขึ้นกองกระดูกเนี่ยนะทนะี่จริงก็น่าจะได้สังเวชเยอะแต่มันไม่ใช่ ส่วนชนเหล่าใดได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเมื่อพระตถ า, าคตประกาศสัตธรรมได้กระทำแล้วจับกระทำหรือกระทำอยู่ตามพระดำรัสของพระศาสดาตรงนี้เน้นเน้นคือเน้นทำตามคำพูดของพระพูทเผอรเจ้าเนี่ยชนเหล่านั้นเชื่อว่าได้ประสบขณะคือการประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหล่าใดดําเนินไปตามมรคาที่พระตถาคตเจ้าประกาศแล้วสํารวมแล้วในศีลสังวรที่พระตถาคตเจ้าผู้มีจักสุนะจักสุห้าเนะีเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วเนี่ยนะขอแรกก็คือให้มีศีลเนี่ยนะข้อสองก็คุ้มครองอินทรีย์เนี่ยนะรักษาอินทรีย์ไม่ให้ใจเป็นบาปเนี่ยนะนะมีสติทุกเมื่อสติทุกเมื่อก็คือมีสติเว้นแต่หลับเหมือนกันเถอะว่าสรุปเลยมีสติทุกเมื่อแปลว่าเว้นแต่หลับ ตลอดชีวิตด้วยนะเว้นตลับเนี่ยให้มีสติให้หมดเลยไม่ชุ่มด้วยกิเลสตัดอนุสัยทั้งปวงเล่นตัดอนุสัยทั้งปวงอันเล่นไปตามกระแสบ่วงมานอนุสัยเป็นอย่างนั้นชนเหล่านั้นแลบลุความสิ้นอาสวะถึงฝั่งคืนนิพพานแล้วในโลกนี้ผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นก็พ้นทุกที่กล่าวอเอาส่วนนี้มากล่าวจะเห็นธรรมะในข้อต่อไปคือมหาุริษวิตก8เนี่ยนะ ที่เป็นธรรมะควรให้บังเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือถึงผู้ที่ได้ขณะแบบนี้แล้วนะองค์ประกอบพร้อมละหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกสองพระองค์แสดงธรรมสามตัวเองนี่เป็นมนุษย์มีศรัทธาได้มาฟั ง, ม า, ฟงมาศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างนี้เข้าแต่ทีนี้ให้มาเห็นว่าคำสอนอันนี้เนี่ยคำว่าธรรมะนี้ธรรมะตัวนั้นให้ล็อกไว้เลยว่าโลกุตระธรรมนะ ธรรมะนี้ธรรมะนี้นะทั้ง8ปข้อนั่นแหละธรรมะธรรมะนี่ยนะวงเล็บไปเลยว่าโลกุตรธรรมเพราะนะั้นบอกว่าโลกุตตรธรรมนะเพราะพระพุทธเจ้าแสดงก็แสดงหรือประกาศโลกุตรธรรมอยู่แล้วอันโลกุตรธรรมนี้เป็นของผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของผู้มีความปรารถนาใหญ่นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษมิใช่ของผู้ไม่สันโดษ โ, โลโกุตระธรรมนี้เป็นของผู้สงัดไม่ใช่ของผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีโล是是โโกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ปราศจากความเพียรไม่ใช่ของผู้เกียจคร้านโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้เข้าไปตั้งสติไว้ไม่ใช่ของผู้หลงลืมสติเนี่ยนะโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นโลกุตรธรรมนี้เป็นของผู้มีปัญญาไม่ใช่ของผู้มีปัญญาสาม โลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ไม่มีธรรมะเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีผู้ยินดีแล้วในธรรมะไม่เป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้ามิใช่ของผู้มีธรม ร, มธรมะเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีผู้ยินดีในธรรมะเป็นเครื่องหน่วงให้เนิ่นช้าคือสังเกตนะข้อหนึ่งสองสาเป็นชื่อของสัตทินสี่นะข้อสี่ วิริยินทรียข้อห้าสติินทรีข้อหก ส, ส, สมาธินทรีข้อเจ็ดปัญญทรีนะจริงๆก็คืออินทรีห้านั่นแหละข้อแรกนะผู้มีความปรารถนาน้อยก็ประกาศถึงความเป็นผู้มีศรัทธาผู้ปี่สันโดดกับส ง, งัดเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของผู้มีศรัทธาทั้งนั้นเลยอันนี้ประกาศสัตทินทรีนะส่วนปรารบความเพียรอันนี้ก็เป็นวิริยินทรี์สตินินทรีสมาธินทระะนีพันโลกุตรธรรมเนี่ยเป็นของผู้ประกอบไปด้วยอินทรีห้า อันนะั้นเป็นของคนมีอินทรีห้านะโลกุตระธรรมเนะี่ยไม่ใช่ของคนที่ขาดอินทรีเหมือนั้นเถอะอันนี้ถ้าพูดแบบสำนวนให้มันย่องง่ายตามที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถ้าจะขยายละเอียดขึ้นนะอะนนั้นความเป็นผู้มีศรัทธานั่นแหละคือผู้ปรารถนาน้อยคําว่ามักน้อยในที่นี้เนี่ยแปลว่าไม่ใช่มักมากเอานี้นะก่อนโลกุตระธรรมนี่เป็นของสูงสุดใช่ไหมเป็นของที่ดีเป็นของที่ประเสริฐเป็นของที่เยี่ยม ทีนี้ถ้าคนที่มักมากในสิ่งที่ไม่ใช่โลกุตระธรรมเนี่ยถามว่ามันขัดกันไหมก็ขัดก่อนคำว่ามักมากในทีนี้หมายถึงคนต้องการปัจจัยสี่นะคือเรียกว่าเป็นคนที่ทะเยอทะยานต้องการในปัจจัยสี่อยู่เท่านั้นอันนั้นหนึ่งคิดหาก่อนคิดหาแล้วก็สแสวงหาปัจจัย4ี่ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเาเรียกว่าผู้มักมากเนี่ยแปลว่าไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหา คือปัจจัยสี่ก็ไม่ได้เถียงว่าไม่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมีแต่ว่าเกินพอดีไปเนี่ยนะเกินพอดีคือไม่รู้จักประมาณในการสแสวงหาไม่รู้จักประมาณในการรับเนี่ยนะโดยเน้นเน้นพระพิสูุนะ์เนี่ยนะคือถ้าหาแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการรับอ่ะไอการไปบินธบาตมันดีแต่ว่าแหมมันรับตั้งหัวบ้านท้ายหมู่บ้านได้ามาห้ากะละมังแล้วนะอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะไม่รู้จามาทําอะไรมากมายขนาดนั้นก็รู้ไม่รู้ประมาณในการรับ นี้ต่อไปก็คือไม่รู้จักประมาณในการบริโภคฉันซะจนอาหารไม่ย่อยเนี่ย น, นะฉันนัน้นอืดได้ทั้งวันนั่นนะแล้วก็ไม่รู้จักประมาณในการสละก็แปลว่าเอามาสังสมมาเก็บมากองไว้เนื้อนั่นนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มักมากอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือผู้มักมากในอธิคมอันนี้ถ้ามีอธิคมแล้วไม่มีใครมักมากนะเพราะว่าพระอาริยะทั้งหลายท่านไม่เที่ยวอวดอยู่แล้ว ส่วนอย่างหนึ่งก็คือผู้มักมากอย่างหนึ่งก็คือได้ปริยัตแล้วก็เที่ยวโอวดเนีย่ยนะเพราะว่าปริยัติกับธุดงนี้เป็นที่ตั้งของมานะใช่ไหมผู้ผู้เรียนมามากนะไปที่ไหนก็อยากจะให้เขารู้ว่าเราได้จบอะไรมาบ้างอันนี้ก็ประกาศถึงมานะอย่างหนึ่งเนีย่ยนะปรารถนาจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเนี่ยรู้อะไรจบอะไรมาอ่านะแตกฉานกี่คํำพีก็ว่าไปนะเรียกว่า เอายี่ห้อของตัวเองเนี่ยเที่ยวประกาศไว้ก่อนว่าจบอันนั้นจบอันนี้มาจริงมันลืมไปหมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันเหมือนอะไรเหมือนกับว่าโอ้ชั้นเนี่ยไปที่ไหนจบนักธรรมโทรมาอย่างเงี้ยนะสมมุติจริงไอความรู้นักธรรมหายไปตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้นะเหลือแต่ประกาศนัญบัตรยังเหลือประกาศนียบัตรนักธรรมโทอยู่นะที่จริงไปที่ไหนน่าจะพูดให้เต็มแบบเนี้นั้นอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความมากๆอย่างหนึ่งและทุดงนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งมานะ ฉันผู้ที่มักน้อยเนี่ยนะเขามักน้อย4ประการหนึ่งมักน้อยในปัจจัย4แปลว่าเขารู้จักประมาณในการแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการเสียสละไปในการสละเสร็จแล้วก็มักน้อยหรือปรารถนาน้อยในอาธิคมนี่แปลว่าเมีอาธิคมและไม่ประสงค์จะให้ใครรู้ส่วนปรารถนาน้อยในปริยัติเนี่ยหมายถึงว่า ตัวเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องปริยัตแล้วอะ่ะไม่ประสงค์ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมีความรู้เนี่ยนะเก็บเงียบเลยเหมือนกันเถอะทรงพระตัยปิฎกนี่ก็ไม่ไม่เล่าบอกใครว่าตัวเองนี่ทรงพระตัยปิฎกสมัยสมัยก่อนเนี่ยมีหลายรูปเรื่องกันไม่บอกเนี่ยนะไม่บอกเลยว่าท่านเนี่ยทรงพระตัยปิฎกแต่ถึงวาระท่านเทศและท่านก็เทศพอท่านเทศเสร็จท่านก็ไปเนี่ยนะคือเรียกว่าไม่ได้ต้องการผลงานความดีความชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเหมือนกัน คือท่านมีจุดมุ่งหมายชัดเจนใช่ไหมว่าท่านต้องการโลกุตระธรรมท่านไม่ได้มามาพูดถึงโ อ, อ้อวดอันนี้นแล้วก็ต่อไปก็คือทุดงเนี่ยนะทูดงนี่มันเป็นที่ตั้งแห่งมานะอยู่แล้ววั้นไปที่ไหนประกาศสายเลยว่าฉันทุดงนะนะที่ทูดงจริงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งล่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะตัวทุดงนี่แปลว่าขัดเกลวไม่ใช่แปลว่ากรดเนี่ยนะทูดงแปลว่าเรื่องขัดเกลว์เรื่องมักและเรื่องสันโดดเป็นเรื่องของผู้สันโดดใน เพราะทูดงเนี่ยถ้าว่านะก็คืออริยะวงทูดงเนี่ยก็คือเรื่องของตัดใจสี่หมายถึงผู้สันโดษในตัดใจสี่อย่างหนึ่งข้อสุดท้ายเนศชิก ค, คือผู้ยินดีในภาวนาเนี่ยนะหมายถึงคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงไปอยู่ที่หมายคาอว่าไปแบกบาะพายกรดเนี่ยนะแบกกรดสะพายบาศเนยนะูดกลับกันหมด คืออันนั้นแหละไม่ใช่ประกาศถึงเป็นผู้ทุ ด, ดงอันนั้นเป็นชุดเดินทาง น, น, นผู้ที่แบกกรดสะพายบาตรเนี่ยอันนั้นคือกระเป๋าเดินทางของพระเพรางั้นมันมีชุดอยู่เท่านั้นแหละอันนั้นไม่ได้ประกาศถึงว่าผู้เสมอไปว่าเป็นผู้ถือทุ ด, ดงนนผู้ถือทุ ด, ดงคือผู้ที่สมาทานวัดวัดอันนี้สงเคราะห์ลงศีลเ น, นี่ยนะก็คือสมาทานประพฤติศีลเพิ่มอีกสิามข้อ อย่านันอันนี้เป็นเป็นความมักน้อยสันโดษของเฉพาะท่านนั้นอย่านัเพราะท่านเห็นโทษภัยของบาปอาคุณท่านก็เลยมาสมาทานทีนี้พอสมาทานแล้วไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้อย่า น, นัอันนี้ก็ว่าเป็นผู้มักน้อยนะโลกุตระธรรมเนี่ยต้องเป็นผู้มักน้อยอย่างนี้แหละจึงจะได้ทามากักมากแล้วไอ้ที่จะได้โลกุตระธรรมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะถ้าต้องการตัดใจสี่นะ่นมันก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ต้องการโลกุตระธรรม ถ้าไปเที่ยวโอ้อวดในตัวเองมีปริยัตมีทุดดงเป็นต้นเนี่ยนะก็มัวแต่ไปเพลิดเพลินแบบนั้นอยู่นะก็มัวแต่ไปยกตนมัวแต่ข่มผู้อื่นอยู่ก็เลยไม่ทันได้คิดถึงโลกุตรธรรมอันนี้ข้อแรกก่อนบอกว่าโลกุตรธรรมเนี่ยเป็นของผู้ที่มักน้อยนะไม่ใช่มักมากเ น, นแต่คำว่ามักน้อยเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่ามักน้อยในปริยัตก็เลยไม่เรียนเลยอันนี้ไม่ใช่แปลแบบนั้น เขาแปลว่าเรียนมากแต่ไม่ประสงค์ให้คนอื่นรู้อันนี้ข้อหนึ่งก่อนนะมักน้อยในทุดงแปลว่าไม่ต้องไปรักษาทุดงมันรกไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแปลว่ารักษาทุดงแล้วไม่บอกใครเนี่ยนะเพราะอย่างเขาบอกว่าที่ท่านยกย่องมากคือพระเถระสองพี่น้องพระเถระผู้พี่เนี่ยรักษาทุดงมาหลายปีด้วยกันอืมไม่เคยบอกน้องด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยรักษาทุดงแต่โดยเฉพาะท่อไม่นอนเนี่ยท่านไม่เคยเหยียดหลังมาตั้งร้อยปีแล้ว แล้วก็ไม่บอกใครด้วยว่าท่านรักษาทุดงทีนี้วันหนึ่งกันนะคือท่านก็อยู่แล้วก็ฝ่ายมันเป็นฝนวันฝนตกนะฟ้ามันแลบขึ้นนะ่ะน้องชายก็ตื่นมาพอดีก็เห็นเอ๊ะทำไมพี่ชายนั่งอย่างนั้นไม่สบายหรือเปล่าก็สงสัยก็ไปถามพระหลวงพี่ไม่สบายหรือเปล่าบอกว่าไม่เป็นไรแล้วท่านก็ล้มตัวลงนอนอะนะน้องชายก็ไม่ได้สงสัยอะไรท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาทานทุดงใหม่ท่านไม่กลัวทุดงขาดแต่ท่านไม่อยากรู้ให้น้องรู้เนี่ยว่าท่าน รักษาทุดงนั่นนะปกปิดขนาดนั้นทีนี้ก็ในยิ่งในคัมภีร์นะคนที่ไม่รู้วัตถุประสงค์ของทุดงเข้าอันนี้ไม่ตรงเลยไม่เป็นอุชูปฏิปันน ม, มต้องเปิดเผยจริงแล้วเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปเปิดเผย<ม>บอกว่าบอกคนอื่นว่าชั้นนี่รักษาทุดงว่างั้นอันอันนี้คือความมักน้อยของท่านคิดว่าสำเร็จตรงกับวัตถุประสงค์ที่ที่ลมตัวลมนอนนี่ถือวัตทูดงขาดใช่ไหมขาด แต่ขาดคือขาดอันนั้นมันมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วสมทใหม่ก็สมาทานใหม่มนม น, นั้นเราจะถ้าหากจะถือระยะเวลาก็เขาคือท่านท่านรักษาทุดงท่านไม่ได้รักษาเวล า, วลาบอกแหมคือบางคนเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของมานะนา น, น, า น, นานเข้าใช่อนาคตเนี่ยช้นเนี่ยรักษาทุดงมาตั้งกระ บ, บวนะเป็นหลายปีอะหลายปีอันนี้คือรักษาเวลาไม่ใช่รักษาทุดง ถ้าอย่างองค์ที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยองค์นี้รักษาทุดงไม่ได้รักษาเวลาขอให้รักเป็นทุดงเป็นใช้ได้มันจะกี่วันกี่เดือน ก, ก็ช่างมันเถอะอย่งนั้นเอะแตว่าใครจะชมไม่ชมไม่ใช่ประเด็นของฉันฉันต้องการรักษาคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างนั้นนะไม่ได้ต้องการว่าโอ้คือทุดงเป็นต้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของมานะนะเนี่ยฉันนี่รักษาทุดงคนอื่นไม่รักษาเอาไนงะ หรือผ้าหูสูตรก็เหมือนกันเป็นที่ตั้งของมานะชั้นเรียนมากแกงโง่ทั้งนั้นเลยอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นที่ตั้งของมานะฉันคนที่เขาขัดเกลวเนี่ยเขาจึงไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ไม่ใช่ไม่มีคุณธรรมอันนั้นมีแต่ไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นรู้เนี่ยนะเขาก็ก็อย่างแร่งเขาก็ไม่นั่งพิงนะถ้าอย่างถือแบบไม่แร่งก็ก็พิงได้ ก็พระสมัยก่อนท่านกนะ็ยืนพิงกระดานก็มีอ่ก็เป็นธุตุงพระประเจกเนี่ยนะเขก็มีในคำเพียไ้จะมีที่จงกรมที่เดินแล้วก็จะมีที่ยืนพิงอีกที่หนึ่งนะบางองค์ก็ป ร, รินี้ผ่านด้วยการยืนพิงกระดานนั้นนั้ น, นะนก็แสดงว่าสถานที่นั้นยุงต้องไม่เยอะนะนอ่ะคือหลับมันหลับได้ทุกอิริยาบถอยู่แล้วได้ยินหมอเล่าไหม ผมเนี่ยหลับได้ในทุกอิริยาบถสี่ว่างั้นไอ้คนมันจะหลับมันจะหลับได้ทุกเวลาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะพอนั่งปั๊บนี่เขาบอกสัมนวนตรงๆว่านิ่งอะเป็นหลับเลยอย่างนี้ไอ้คนจะหลับอ่ะนะไอ้คนไม่หลับเนี่ยหมามันจะโหที่นอนก็ดีอะไรก็ดีมันได้เวลาหลับมันไม่ยอมหลับสักทีอ่ะนะว่างั้นเนี่ยจะถามว่าไง คือคนที่ยืนหลับเนี่ยนะผมไม่ได้แปลกใจนะครือคือก็คนยืนสัะประงกให้เห็นก็มีทั่วไปนะแต่คนที่ทําแบบนั้นได้นานๆนะเรียกว่าคนหลับนะแต่ถ้าแค่แว บ, บเดียวก็เรียกว่าสะประงกนะแต่จริงๆไอ้คนสะประงกก็คือหลับนั่นแหละแต่มันหลับสั้นเราเลยมาเรียกว่าเอออย่างเนี้ยสัะประงกนะจริงก็หลับนั่นแหละแต่พระปเจกท่านยืนโดยมากท่านก็ยืนเข้าพระสมาบัติท่านยืนอะไรอ่ะนะ ก, ก็ที่พิงก็อาจจะด้วยเหตุผลเดี๋ยวมันจะล้มด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเป็นเหตุให้ล้มทั้งก็ยืนพิงเพื่ อ, อรักษาอะไรให้มันเรียบร้อยซะอะไรซะแต่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงพระที่ไม่นอนเนี่ยนีถือเป็นเรื่องธรรมดาด้วยซ้ำไปแต่ท่านมีคุณธรรมหล่อเลีย้ยงเป็นอย่างดีเนี่ยนะหนึ่งท่านไม่มีปริพทเรื่องปริยัตรเรื่องการศึกษาไม่มีไม่มีปริพศในเรื่องอื่นๆเลยแล้วท่านก็ เป็นกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าพร้อมจะทิ้งเรืออยู่แล้วเห็นะมันนี้ผานได้วันนี้ก็จะเอาแล้วว่างั้นถะไม่ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วเพระั้นพระกลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ทีนี้เอาพอมาอ่านเจอปั๊บเอาตามท่านเลยเหมือนเหมือนคำน ว, นวนว่าเห็นช้างมันกุจระอะไรมันก็จะเอามั่งเหรอนะมันก็ให้เรียกว่าให้รู้จักประมาณของตัวเองว่า ตัวเองนี่มันขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปุริสธรรมสัพปุริสธรรมก่อนที่เคยกล่าวไปเนี่ยนะอัตตันยูเนี่ยจะต้องรู้ว่าตัวเองมีศรัทธาเท่าไหร่มีสุตะเท่าไหร่มีจาระเท่าไหร่มีปัญญาเท่าไหร่มีปฏิพานเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักประมาณของตัวเองเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ใช่ไปเอาซะจนถามว่าคนที่ไม่รู้ประมาณเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพอสมาทานทําไปแล้วมันจะเข็ดเนี่ยนะมันจะเลิกทํา เหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าโอ้โหเห็นคนนั้นเขาแตกชั้นนักปราชญ์พิดกคนนี้ก็แตกฉั้นฉันจะอ่านมั่งอ่ะนะอ่านทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะอ่านเสร็จมันเครียดกันเลยนึกถึงพระไตรปิฎกแล้วอ่านไม่ไม่จ้าอิกเลยเท่านี้อันนี้มันก็เกินไปอ่ะนะหรือเหมือนกับหลวงพ่อองค์หนึ่งอะ่ะท่านบอกว่าอยากชั้นมะพร้าวเนี่ยมากอ่ะนะชั้นเลยทลายหนึ่งเลยตังนั้นมาเห็นมะพร้าวนี่ไม่เอาอแล้วอัง น, นั้นมันสํานวนมาให้รดยให้รู้ว่าอะไรที่มันเกินไปเนี่ยมันก็ขาดความพอดีอ่ะนะ ย้อนม่อีกครั้งหนึ่งนะว่าธรรมะนี้หมายถึงโลกุตระธรรมนี้เป็นของผู้ที่มักน้อย อ, อยาอย่าว่าแต่พระพิสุเลยอุบาสกสมัยก่อนนี่ก็เป็นผู้มักน้อยนะมีอุบาสกมากที่บรรลุมักผลแต่ก็ไม่ได้บอกใครนะเก็บเงียบในอังคุตระนิกายเนี่ยมีมีอุบาสกหลายหลายท่านนะที่ที่มีอัจฉริยะอภูตธรรมหมายให้ว่า ม, มีความพิเศษในตัวเองตั้งมาก นะโดยที่อย่างเช่นนะ่ะเห็นพระพุทธเจ้าปั๊บสังเมาเลยเนี่ยนะอย่างฟังธรรมปั๊บบรรลุเลยอะไรเนะี่ยท่าก็ไม่เล่าบอกใครด้วยนะเก็บงีบอย่างเดียวน ะ, ะลักษณะนะ่ะคือความอัศจรรย์ของท่านมีตั้งหลายข้อเนี่ยนะส่วนต่อไปนะั้นโลกุตรธรรมนี้เป็นของผู้สันโดษหมายถึงสันโดษสามอย่างในปัจจัยสีดดยาาสดด่สันโดษสามคือหนึ่งยะถาลาภาสันโดษสันโดษตามได้เนี่ยนะแล้วแต่มันจะได้ข้อสองก็สันโดษตามกําลัง น, น, นะคว่ารู้จักกําลังของตัวเองก็สามก็ตามสมควรนี่นะสารู ป, ปะแปล ว, ว่าตามควรหรือตามตามความเหมาะสมนั่นเองในปัจจัยสี่หมายความว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะยาก็เหมือนกันก็รู้จักประมาณในการครับว่ารู้สันโดษในการได้นะสันโดษในการตามกําลังสันโดษในการตามสมควรเนี่ยนะ ธรรมะกลุ่มนี้เนี่ยนะให้รู้ว่าเป็นคุณธรรมของผู้ที่สันโดษในปัจจัยสี่แต่เขาไปยินดียิ่งในโลกุตรธรรมก็ตัดปริพโภคเรื่องทั่วๆไปนะเพราะว่าโลกุตรธรรมเป็นของที่ที่สูงว่างั้นต่อไปนะโลกุตรธรรมนี้เป็นของผู้สงังกษ์ผู้วิเวกสามนะผู้ได้กายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกนั่นผู้ที่ยินดีในวิเวกหมายถึง ผู้ที่บรรเทาการละคนด้วยหมู่อยู่แต่ผู้เดียวด้วยการปรารบอารับพวัตถุแปดนี้ชื่อว่ากายวิเวกทีนี้กายวิเวกไปอยู่คนเดียวมันไม่ได้ทําให้ประโยชน์สําเร็จอะไรหรอกนี่ยเยอยู่คนเดียวเลยนะไม่ใช่เหมือนกับไปอยู่ยามปล่อยให้กับไปยืนอยู่คนเดียวเงียบเงียบอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เน้นแค่ผู้เดียวหมายถึงอยู่ผู้เดียวอ่ะ พโยคาวจรก็กระทำกระสินบริกรรมเป็นต้นไปเจริญสมร t จนได้ฌานเนี่ยนี้เป็นจิตวิเวกทีนี้การได้ฌานไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าสําเร็จประโยชน์นะไม่ใช่อยู่ๆเท่านั้นเพราะพระโยคาวจรก็ทําฌานให้เป็นบาตรพิจารณาสังขารบรรลุเป็นพาธหานพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาอันนี้ชื่อว่าอุปทิวิเวกเนี่ยนะกายวิเวกนี้จะมีสําหรับผู้ที่ยินดีในเนคขมะจิตวิเวกก็ เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วด้วยสมาบัติเนี่ยนะส่วนอุปทิวิเวกก็หมายถึงผู้ที่เข้าถึงวิสังขารคือพระนิพพานสงัดจากอุปทิหมายถึงสังขารหรืออุปาทานขันธ์ทุกชนิดเนี่ยนะเปะะน็นโลกุตรธรรมนี้เป็นของที่ผู้ยินดียิ่งในวิเวกเนี่ยนะแปลเข้ากับปฏิเสธว่าไม่ใช่ของผู้ยินดีในการคลุกคลีคลุกคลีนะั้นมีหอย่างใช่มคลุกคลีในการเห็น คลุกคลีด้วยการเห็นเนี่ยนะการเห็นกันบ่อยๆนี่ก็ชื่อว่าคลุกคลีเหมือนกันการฟังกันเนี่ยนะสวนะสังสักคะก็คือคลุกคลีด้วยการฟังหมายถึงว่าไม่เห็นก็โทรศัพท์คุยกันอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าคลุกคลีกันเหมือนกันเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสวนาสังสักคะแล้วก็ต่อไปก็คือคลุกคลีด้วยการพูดกันเนี่ยนะพูดคุยกันบ่อยๆก็ข้อต่อไปก็คลุกคลีด้วยสัมโพคะเอ่เรียกว่าสัมโพคะเนี่ยแปลว่าบริโภค ร่วมกันบริโภคร่วมกันนี่หมายถึงใช้ข้าวของเนี่ยนะแลกข้าวของเครื่องใช้กันคนหนึ่งเอาของอีกคนมาใช่อีกค น, นนี้เอาของคนนั้นไปใช้เนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าการคลุกคลีกันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าพอใช้ของปั๊บมันจะนึกถึงเจ้าของเนี่ยนะอันนั้นก็ชื่อว่าการคลุกคลีสัมโพคะนะแล้วก็สุดท้ายก็กายสังสักะคลุกคลีด้วยการจับต้องหยอกเย้าล้อกันเล่นเป็นต้นเนี่ยนะคลุกคลีด้วยการจับต้อง 5อย่างนะหนึ่งเห็นสองฟังสามพูดสี่บ ร, บริโภคร่วมกันสมโพคะเนี่ยห้าก็กายสังสักกะจับต้องเงินเป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่าคลุกคลีกันเพราะโลกุตระธรรมไม่ใช่เป็นของคนคลุกคลีแต่เป็นของผู้วิเวกคุณธรรมสามตัวเนี่ยนะที่ที่ประกาศถึงผู้มีศรัทธาเนี่ย เห็นอย่างหนึ่งคือเป็นถ้าเป็นแบบโลกโลกชาวโลกนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยคือคือเป็นเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะโดยคุณธรรมอ่ะนะเพราะว่าไอ้กิจกรรมกิจกรรมสามอย่างเนี่ยนะปกติเนี่ยในโลกเนี่ยใครมีสาอย่างเนี้โอ้เรียกว่าเป็นํานวนว่าเป็นเทระเลยละเป็นผู้มั่นคงเลยนะจึงกระทําได้แล้วคนแบบเละแหละเป็นต้นเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเหมืนกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วส่วน โลกุตรธรรมนี้เป็นผู้ที่ปราลบความเพียรอันนี้ก็ประกาศถึงวิริยินเสียนะเพียรหลักๆ ก, ก็คือเพียรละบาปเพียรเจริญบุญอ่ะเนี่ยเป็นเรื่องของคนเพียรทางกายและจิตกายก็หมายถึงการเดินการนั่งการยืนเนี่ยนะแต่ถ้า น, นอนแล้วเชื่อว่ากายเพียรทางกายนี้ไม่ใช่นะก็อันนี้เพียรทางกายด้วยการยืนเดินนั่งโดยมากแล้วก็เพียรทางจิตก็คือเพียรกําจัดบาปแล้วก็ เพียรกำจัดอกุศลวิตกกแล้วก็เพียรเจริญกุศลวิตกนั่นแหละเรียกว่าผู้ปรารบความเพียรข้อต่อไปนะเป็นผู้เข้าไปตั้งสติไว้ไม่ใช่ของผู้สติหลงลืมอันนี้หมายถึงสติประธานสีเนี่ยมั่นคงมากมนะนารบกายส4บสี่บพะเนี่ยชำนาญเลยปื๊ดเลยใช่ไหมคุณจูหรือว่า14บสพ่บพะมันหนึ่งสองสามอะไรบ้างไม่รู้ง่ายๆเลยนะเวทนาเก้าปื๊เลยนะจิตบหก สวายมากธรรมะห้าหมวดนิวรณเป็นต้น เ, เนี่ยแหละก็เรียกว่ามีสติตั้งมั่นแปลว่าเป็นคนไม่หลงลืมไม่เลอะเลือนฟั่นเฟือนเนี่ยนะันก็สติปะฐานสี่ดีนั่นเองคผู้มีสติตั้งมั่นก็คือสติปะฐานสีนั่นแหละ